ชาติกำเนิดสมเด็จพระพุทธาจย์โตโรมรังสีท่านเป็นเชื้อพระวงพระมหากษัตริย์โดยเป็นโอรสนอกสเสวยตชัดในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งแห่งราชวงศ์จักรีเมื่อครั้งพระองค์ยังทรงพระยศเป็นเจ้าพระยาจาักรีกับนางงุศบุตรสาวของนายผลและนางลาชาวนาแห่งเมืองกาแพงเพชรโดยมีประวัติความเป็นมาดังต่อไปนี้ ปีพุทธศักราชสองพรพระเจ้าอังวะแห่งประเทศพมา่ายกกองทัพเข้ามาประชิดประเทศไทยตีหัวเมืองโทต ร, รีจัตวาไลรุกเข้ามาทุกทิศทางทั้งทางบกและทางน้ําตีเมืองใต้เมืองเหนือและเมืองตะวันตกเว้นแต่เมืองทางที่ตะวันออกที่พมา่าไม่เข้าตีบรรดาหัวเมืองเหล่านั้นไม่อาจต่อสู้พมา่าได้ต่างทิ้งบ้านเมืองหลบหนีเอาตัวรอดไปอยู่กันคนละทิศละทาง สมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชซึ่งตอนนั้นเป็นพระยาตากศินเจ้าเมืองกำแพงเพชรไม่ได้อยู่ดูแลรักษาเมืองเพราะมีราชการไปรับยศขั้นสัญญาบัตรคือได้เลื่อนเป็นพระยาวชิรประาการพอทราบข่าวพม่าเข้ามาโจมตีถึงเมืองกรุงศรีอยุธยาแล้วจึงรีบกลับมาคุมพลรบเข้าต่อสู้กับพม่าอย่างแข็งขันแต่ด้วยกําลังพลที่น้อยกว่าจึงถูกพม่าล้อมอยู่ กองทัพพม่าล้อมกรุงศรีอยุธยาเวลนานถึงสปีในคราวนั้นปีพุทธศักราช2310พม่าได้นํำปืนใหญ่เข้าระดมยิงกรุงศรีอยุธยาทําให้พระมหานครยดารับความเสียหายเป็นอย่างมากบ้านเมืองในตอนนั้นอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างที่สุดโดยที่กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาก็ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้เลยพระเจ้าตากสินมหาราชยศในขณะนั้น คือพระยาวชิระปราการเจ้าเมืองกำแพงเพชรเห็นบ้านเมืองคับคันอย่างนั้นจึงตัดสินใจคุมพลรบห้าพันคนออกต้านฐานพมา่าอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่สามารถรับมือกับพมา่าได้เมื่อเห็นว่าคงไม่สามารถต้านฐานพมา่าไว้ได้แน่ชะตากรุงคงขาดเป็นแน่แล้วจึงพาพลรบเหล่านั้นตีฝ่าวงล้อมไปทางทิศตะวันออกข้ามไปทางพระเนียคลองช้างเดินทางไปเข้าเขตเมืองนครนายก และข้ามฟากไปติเอาเมืองจันทบุรีได้ชัยชนะต่อเมืองจันทบุรีแล้วจึงหยุดพักตั้งมั่นบำรุงพลในที่นั้นตระเตรียมพาหน ะ, สะเสบียงอาหารอาวุธยุทธพันธ์ไว้พร้อมสับแล้วตั้งตัวเป็นเจ้าครองเมืองจันทบุรีชาวเมืองนิยมเรียกกันว่าพระเจ้าตากศินหรือพระยาตากศินปปีพุทธศักราช2311 ไดยกทัพเข้าบุกทะลวงกองทัพพมา่าตั้งแต่เมืองใต้ฝ่ายตะวันตกและวกเข้าตีพมา่าที่ตั้งคอยอยู่ในกรุงศรีอยุธยาจนพมา่าแตกพ่ายสู้ไม่ได้ถอยไปอยู่ทางหักเมืองฝ่ายเหนือพระเจ้าตากสินสามารถยึดกรุงเก่ากลับคืนมาได้และทรงนำขบวนทัพลอยเรือลงมาตั้งเมืองใหม่ที่ตำบลเนินมะกอกเหนือคลองบางกอกใหญ่ใต้คลองคูวัดระคังโคศิตาราม ทรงขนานนามเมืองใหม่นี้ว่าเมืองกรุงธนบุรีมีพระนามาพิไทยว่าพระเจ้ากรุงธนบุรีหลวงยกกระบัตแห่งเมืองราชบุรีซึ่งออกไปตั้งบ้านเรือนครอบครองสมบัติอยู่ที่บ้านอัมพวาแขวงเมืองสมุทรสาครพอทราบข่าวพระเจ้ากรุงธนบุรีตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานีจึงได้เข้ามาถวายตัวพร้อมกับภรรยาน้องและบุตรรับราชการอยู่กับพระเจ้ากรุงธนบุรี พระเจ้ากรุงธนบุรีได้ทรงแต่งตั้งให้หลวงยกระบัดเป็นพระราชวรินทร์เจ้ากรมพระตำรวจนอกขวาถือศักดินา1น0 0งร้ไร่จึงตั้งคฤหาดอยู่เหนือพระราชวังหลวงใต้วัดบางหลักใหญ่หรือวัดรักังโคศิตารามในปัจจุบันในการต่อมาหลวงยกระบัดที่พระราชวรินทร์ได้กระทำงานเพื่อประเทศชาติประกอบคุณงามความดีเหลือประมาณ ถึงได้พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาจักรีในโอกาสต่อมาลายปีพุทธศักราช2317อซวหุนกี้แม่ทัพพมา่าวัย72ปีเป็นเสนาบดีผู้ใหญ่ในพระเจ้ามังระกรุงอังวะแห่งประเทศพมา่าได้รับราชองการจากพระเจ้าอังวะให้เป็นแม่ทัพยกทัพมติถึงด่านเมืองตากเจ้าพระยาจักรี ก็จัดทัพออกรุกรบพุ่งกับกองทัพของอาแซวุนกี้รบกันไปรบกันมาหลายครั้งหลายคราผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะล่วงวันและเวลามาช้านานจนถึงปีพุทธศักราช2318เป็นปีที่8ในรัชสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีทางฝ่ายอาแซวุนกี้เห็นสึกยืดเยื้อก็ให้ท้อใจเริ่มระอิดระอาไม่อยากรบต่อ ทั้งทางเมืองพม่า ก, ก็ชักจะวุ่นวายขึ้นทั้งสเสบียงอาหารก็บกพร่องจวนเจียนไม่พอใจจึงคิดเพทุบายถามบรรดาทหารไทยว่าใครเป็นแม่ทัพใหญ่บัญชาการทางฝ่ายทหารไทยจึงบอกไปว่าเจ้าพระยาจักรีเป็นแม่ทัพอซวุนกี้จึงประกาศยาทับและขอดูตัวแม่ทัพไทยทางด้านพระยาจักรีก็สั่งสงบศึกชั่วคราว และจัดขบวนยืนทับเสด็จได้แต่งตัวอย่างจอมโยธาเต็มที่ขี่ม้าสีแดงเหน็บกระบีกั้นกรดล้อมล้วนแต่เป็นสิ่งของที่จะรับพระราชทานมาทั้งนั้นเวลานั้นพระเจ้ากรุงธนบุรีเสด็จทอดพระเนตรอยู่ในค่ายนั้นด้วยได้ทอดพระเนตรเห็นกิริยาท่าทางสุภาพองงาจและท่วงทีรูปโฉมของพระเจ้าพระยาจักรีเมื่อแต่งตัวออกยืนทัพรับอแซวุลกี สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงพระเกษมสัน์สมณัตปราโมดถึงกับออกพระโอษรับสั่งชมว่าเจ้าพระยาจักรีงามสมเป็นเจ้าพระยากษัตริย์ศสสึกจริงๆจากรับสั่งนี้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจึงเป็นนามที่ม่นทัพนายกองและพลทหารทั้งปวงพากันนิยมเรียกว่าเจ้าพระยากษัตริย์ศสสึกฝ่ายกองทัพพม่า ก, ก็พลอยเรียกว่าเจ้าพระยากษัตริย์ศสสึกไปด้วย ตลอดไปจนถึงทางราชการฝ่ายพมา่าโดยมีจุดหมายเหตุในพงสาวดารพม่ากล่าวไว้ว่าเจ้าพระยากษัตริย์ศึกเป็นแม่ทัพฝ่ายไทยได้รบ ก, กับอาแซหุนกีแม่ทัพพมา่าที่เมืองพระพิศนุโลกเมื่อปีพุทธศักราชสองพันร้ันเมื่อทอดพระเนรชมเฉยแล้วก็ได้ยาตรากระบวนออกยืนมา้าอยู่หน้าพลเสนานาสนามหน้าค่ายทั้งสองฝ่าย ทางอาแซวุลกี้นั้นก็ไม่ได้อยไปกว่าจัดแจงแต่งตัวเต็มที่อย่างจอมโยธาออกยือนอยู่หน้ากระบวนทหารหน้ากลางสนามหน้าค่ายทั้งสองฝ่ายเช่นเดียวกันเมื่ออาแซวุลกี้ได้เห็นและเจรจาชมเชยพูดจาประเลยตามตำราพิชัยสงครามแล้วก็นันรบต่อไปในใจอาแซวุลกี้นั้นกิจจล่าทัพถอยกลับกรุงอังวะมากกว่าจะคิดแข็งใจรบเอาเมืองพิษณุโลก ในที่สุดก็ตัดสินใจถอยทัพกลับกรุงอังวะโดยออกทางด่านพระเจดีสามองค์ทำเสมือนหนึ่งว่าไปชิงเอาเมืองกำแพงเพชรทำให้แม่ทัพฝ่ายไทยต้องแบ่งทหารออกเป็นหลายกองคอยติดตามตีของทัพพมา่าทางด้านสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีเห็นศึกเมืองพิษณุโลกสงบลงจึงเสด็จกลับกรุงทนบุรีพระยาจักรีเมื่อส่งเสด็จแล้ว จึงจัดกองทัพออกสะกัดติดตามจับพมา่าตีรูกหลังกองทัพพม่าแตกสานเซนเป็นหลายทัพจับได้รีพลช้างม้าเป็นจำนวนมากเจ้าพระยาจักรีเองก็ยกทัพหนุนตีติดตามไปด้วยจนถึงเมืองกําแพงเพชรและจัดการพิทักษ์รักษาเมืองโดยกดขันโดยตัวท่านจะขี่มาออกไปตรวจตรากองทัพต่างๆด้วยพระองค์เองเพราะการเอาเจสัยตัวราชการนี่เอง ทำให้กองทัพพมา่าไม่อาจหานชิงเอาเมืองเหนือได้ต้องส่งออกไปทางด้านชั้นนอกพ้นเขตแดนสยามกองทัพไทยก็ไม่ลาเว้นเหมือนกันไล่จับทหารพมาร่าล้าหลังได้เป็นจำนวนมากแล้วนำมาเป็นกําลังราชการไว้ใช้ในแผ่นดินทัพอาสซีนกีฬาทัพไปจนพ้นเขตสยามในคราวนี้ต่างกําหนดมีว่าเดือนเจ็ดปีมะแมพุทธศักราช2318 ทังนั้นเจ้าพระยาจาักรีได้ตั้งทัพอยู่ในเมืองกำแพงเพชรเช้าวันหนึ่งได้ออกลาดระเวนจกองทัพทั้งปวงเพื่อบัญชาการและชักม้าวกลัดเพื่อตัดทางม้าก็เลยพาท่านฝาดงพงพีมายังบ้านปลายนาใต้เมืองกำแพงเพชรขณะนั้นเป็นเวลาเย็นจึงหยุดพักเห็นโรงนาโรงหนึ่งอยู่ปลายทุ่งนาเจ้าพระยาจาักรีแม่ทัพจึงได้ชักม้าไปที่โรงนา โรงนานั้นมีหญิงสาเพิงคนเดียวเดินออกมาจากกระท่อมด้วยความกระหายน้าเจ้าพระยาจากักรีจึงออกปากขอน้ากินแกนางนางนั้นก็จัดแจงเอาขันตักน้ำไปในหม้อกลัน่นแล้วก็เด็ดดอกบัวหลวงในหนองน้ำข้างดวงนามาสามดอกเด็ดเอาเกสรบัวโปรยลงในขันน้ำนั้นจนเต็มและนำไปให้ท่านฝ่ายเจ้าพระยาจากักรีท่านแม่ทัพ รีบรับเอามาเปล่าเกสรเพื่อดื่มน้ำแม้จะกระหายน้ำสักเพียงใดก็ต้องค่อยๆดื่มด้วยเกรงจะดื่มเกสรบัวหลวงลงไปด้วยเมื่อดื่มน้ำหมดเจ้าพระยาจักรีจึงถามนางนั้นว่าเรากระหายน้ำมากอุตส่าห์มาขอน้ำเจ้ากินเอชนัยจึงแก้งเราเอาเกสรบัวโรยในน้ำน้ำของเจ้าลำบากนักเจ้าแกล้งเราเล่นหรือ อย่างนั้นจึงได้บอกไปว่าดิฉันจะแกล้งท่านก็หาไม่ที่ดิฉันเอาเกสรโรยลงในขันน้ำให้เต็มก็เพราะดิฉันเห็นว่าท่านตากแดดตากลมเหนื่อยและกระหายน้ำจัดก็เพื่อป้องกันไม่ให้ท่านสำลักน้ำสะอึกน้าและการจุกแน่นแก่ท่านผู้ดื่มน้ำของดิฉันถ้าท่านไม่มีอันตรายในการดื่มน้ำแล้วน้าจะได้ทาประโยชน์แก้กระหายแห่งท่านดิฉันก็จะพลอยได้ประโยชน์ เพราะให้น oh, well, ้ำแก่ท well, ่านท่านสมปรารถนาแล้วก็จะเป็นบุญแก่ดิชันเหตุนี้แหละดิชันจึงรอยเกสอนบัวในน้ำนี้เจ้าพระยาจักรีแม่ทัพได้ฟังคำนางสาวตอบอย่างไพเราะอ่อนหวานอีกทั้งถ้อยคำที่กล่าวมานั้นก็พอฟังจึงลงจากหลังม้าแล้วถามว่าเจ้าเป็นสาวเต็มเนื้อแล้วมีใครมามั่นหมายผูกสมัครว่าใครแล้วหรือยัง นางตอบว่าไม่เห็นมีใครมารักใกรหมายมั่นดิฉันและดิฉันก็ยังไม่ได้บอกใครเลยว่าดิฉันเป็นสาวแล้วงวจะหลบหัวซ่อนตัวเพราะบ้านเมืองวุ่นวายสับสนจนเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีใครเห็นว่าดิฉันเป็นสาวเจ้าพระยาจักรีจึงว่าถ้ากระนั้นเราเองเป็นผู้ที่ได้มาเห็นเจ้าเป็นสาวก่อนคนอื่นฉะนั้นเจ้าต้องยอมตกลงเป็นคู่รักของเรา แล้วเราจะเป็นคู่ร่วมรักของเจ้าสืบไปเจ้าจะพร้อมใจยินยอมเป็นคู่รักของเราโดยสุจริตหรือว่าประการใดนางสาวผู้นั้นจึงตอบว่าการที่จะมาเป็นคู่ครองของดิฉันนั้นก็เป็นพระเดชพระคุณยิ่งแล้วแต่ถ้าว่าการจะมีผัวมีเมียกันตามประเพณีนั้นดิฉันไม่ทราบเรื่องจะว่าประการใดแก่ท่านก็ไม่มีอะไรจะว่าเรื่องการผัวการมเมียนั้น ท่านต้องเจราจากับผู้ใหญ่จึงจะทราบการท่านจะาขุนแม่ทัพจึงถามไปว่าผู้ใหญ่ของจเจ้าไปไหนกันนางสาวจึงตอบว่าไปรถน้ำถั่วจนจะกลับแล้วฝ่ายแม่ทัพก็ทำท่าขยับเดินให้เข้าใกล้นางสาวก็รีบวิ่งไปแอบที่หลังโรงท่านจึงชะงักเท้าไว้นา่งเฝ้าโรงคอยท่าบิดามาดาของนางสาวต่อไป จนเกือบตะวันตกดินทางฝ่ายตาผลใยลากลับมาถึงนาเจ้าพระยาจักรีก็ยกมือไหว้ตาใหญ่ก็ก้มตัวลงไหว้ตอบท่านเจ้าพระยาจักรีก็ก้มตัวลงไหว้ให้ตามไปอีกตายายก็หมอบลงไปไหว้อีกท่านเจ้าพระยาจักรีก็หมอบว่าอยู่นั้นฝ่ายใยลาแกเป็นคนปากเร็วนึกขันและประหลาดใจ แกจึงเปิดปากถามออกไปว่านี่ท่านเป็นคุณนางแม้แต่บางน้ำบางกอกจะไหนจึงมากราบไหว้ข้าซึ่งเป็นชาวบ้านนอกชาวทุ่งชาวป่าเป็นคนยากคนจนด้วยหลักท่านจะหมอบไหว้ข้าทำไมเจ้าพระยาจาักรีแม่ทัพใหญ่จึงได้ตอบว่าฉันเห็นบุตรสาวของท่านแล้วก็พอใจจึงยอมตัวมาอ่อนน้อมเป็นลูกเขยท่านจากนั้นเจ้าพระยาจักรีก็ได้เล่าถึงการที่มาขอน้ากิน และนางได้เอาเกสรโรยลงจึงได้ต่อว่านางได้ตอบถ้อยคำหน้าฟังหน้านับถือจึงทำให้เกิดความรักความปรารถนาขึ้นและตั้งใจจะเลี้ยงดูจริงๆจึ ง, จ ง, จงต้องทนอยู่คอยท่าเพื่อแสดงความเคารพและขอเป็นเคยขอให้พ่อแม่มีเมตตากรุณาเห็นแก่ไมตรีที่ได้มาอ่อนน้อมพูดจาด้วยเต็มใจจริงๆไม่ได้มีแยบยนต์คนอุบายใดๆ ยายตาเกลร้องขึ้นด้วยความตกใจว่าโอตายจริงข้าเจ้าเป็นคนยากจนค้นแค้นและต่ำสัก์ทั้งผ้าผอนที่หลับที่นอนก็เหม็นติดเหม็นสาบทั้งเครื่องย้ามาเรือนก็ขัดขวางทั้งถ้วยชามรามหายที่ดีงามก็ไม่มีทิบหายป่นปีจากครั้งบ้านเมืองเกิดยุ่ ง, นงหนุ้งนางหลายครั้งหลายครา ม, มาและตัวนางหนูเล่าก็ยังไม่เป็นภาษาทั้งเจริญ ก, กิริยาก็ยังป่าเถื่อนไม่เหมือนชาวใต้ จะฝ่ายสูงเกินสักด์เกินสมควรไปละกระมังพ่อคุณแม่ทับจึงว่าข้อนั้นพ่อแม่ยังมีความวิตกหวาดกลัวอะไรเลยข้อสําคัญก็คือแม่พ่อยกให้เป็นกรรมสิท ธ, ธิ์แก่ชั้นเด็ดขาดแล้วต่อไปเป็นหน้าที่ของฉั้นฝ่ายเดียวตามที่แม่พ่อยกขึ้นเป็นทางปรารมนั้นเป็นทุระของชั้นหมดทุกอย่างขอเต่ว่าอย่าเกี่ยงงอนขัดขวางชั้นเลยเ ย, ยลาตาผล ขอทุเลาถามเจ้าตัวว่ามันจะอยากมีผัวหรืออย่างไรไม่ทราบแล้วก็ออกไปพูดกับลูกสาวประสิทธิ์ประทราบอยู่ครูหนึ่งแล้วก็กลับมาแล้วนั่งลงถามว่าในเวลานี้ท่านก็มาแต่ตัวกับม้าตัวหนึ่งถ้าหากว่าดิฉันทั้งสองจะพร้อมใจยกอิงุดลูกสาวฉันให้เป็นเมียท่านท่านจะจัดการประการใดแก่ดิฉันเพื่อเป็นมงคลจงว่าดิฉันฟังก่อนเถิด เจ้าคุณแมทับจึงถอดแหวนออกจากนิ้วแล้วบอกว่าแหวนวงนี้มีราคาสูงถ้าว่าท่านบิดามารดายินยอมพร้อมใจกันยกแมงหุดให้เป็นเมียเป็นสิทธิ์แก่ฉันแล้วฉันจะยกแหวนวงนี้ตีราคาทำสัญญาให้ไว้เป็นสินไทยยี่สิบช่างคิดเป็นทุนเป็นค่าทองมั่นกันหมากผ้าไหว้อยู่ในยี่สิบช่างถ้าค่าเครื่องยาวเครื่องเรือนเบี้ยเลี้ยงค่าเลี้ยงค่าดูค่าเครื่องเส้นวัดตะกั่นเสร็จในราคายี่สิบช่าง ด้วยแหวนวงนี้สองตายายได้ฟังก็ดีใจยินยอมพร้อมใจยกลูกสาวให้ตามปรารถนาเจ้าขุณแม่ทัพก็จัดแจงยืมผานปากกระจับทองเหลืองมาและเขียนสัญญาถ่ายแหวนแล้วเอาไปตองรองก้นผานและวางแหวนที่ว่านั้นลงบนใบตองรองในผานเชิญก็ไปคุกเขา่าส่งให้ตายายตายายก็ให้ศีลให้พรต่างๆ จากนั้นก็จัดแจงหุงหาอาหารต้อนรับขับสู้อาบน้ำพักผ่อนกินอาหารเรียบร้อยแล้วทั้งตายายและเจ้าพระยาจักรีส่วนนางนุษยคนสวยนั้นให้กินภายหลังเมื่อรับประทานอาหารแล้วต่างคนต่างนั่งสนทนากันเมื่อถึงเวลาสี่ทุ่มจึงพาลูกสาวออกมารดน้ำรถท่าเสกเป่าแล้วก็ส่งตัวมอบหมายฝากฝังกันตามธรรมเนียมของชาวบ้านเมืองกาแพงเพชร ซึ่งเคยทำพิธีกันมาแต่การก่อนเจ้าพระยาจากรีรับตัวแล้วก็หลับนอนอยู่ด้วยกับนางงตในกระท่อมโรงนาจนรุ่งสางตื่นขึ้นอาบน้ำแล้วลาตายายขึ้นมาไปบัญชาการยังกองทัพพอเวลาค่ำก็นำเงินยี่สิบช่างมาสู่โรงบ้านปลายนาถ่ายแหวนคืนสัญญาแล้วก็หลับนอนเช้ากลับค่ำไปหาเป็นเช่นนี้อยู่นานวัน แม่ทัพในกองอื่นจะล่วงรู้แล้วร่ําลือรือให้อือเช้าก็หาไม่เพราะต่างเข้าใจกันไปว่าเจ้าพระยาจาักรีไปตรวจการดูแลบัญชาการกองทัพต่างๆเจ้าพระยาจาักรีได้ปฏิบัติเช่นนี้เรื่อยมาเป็นเวลาเดือนเศษๆแม่บุตรชายของเจ้าพระยาจักรีเองในขณะนั้นอายุได้แปดปีเศษๆก็หาได้ระแคะระคายเรื่องนี้ไม่ฝ่ายนางงุดนั้น เมื่อได้เสียกับพระยาจักรีแล้วก็เริ่มตั้งคันอ่อนๆนับแต่นั้นมาเจ้าพระยาจักรีก็เพียงแต่ไปมาหาสู่ถามข่าวคราวทุกสุขเท่านั้นประจวกกับมีท้องตราให้เจ้าพระยาจักรียกทัพกลับท่านจึงต้องยกพลกลับก่อนกลับนั้นท่านได้ไปสั่งร่าลานางุดและท่านก็คุมกองทัพกลับกรุงทนบุรี เมื่อนางงุชได้แต่งงานกับเจ้าพระยาจักรีแม่ทัพพุทธศักราช 2,318 แล้วก็ตั้งคันเมื่อคันยังอ่อนๆอยู่นั้นนางนุชได้หารือพ่อแม่ว่าจะคิดทำการค้าขึ้นล่องเมืองเหนือกับกรุงธนบุรีเมื่อคนทั้งสามปรึกษาหาเรือตกลงกันได้แล้วก็ได้รวบรวมเงินต้นทุนที่ได้ไว้แบ่งเป็นส่วนต่างๆคือค่าเรือค่าสินค้าค่ารองสินค้าค่าจ้างคนค่าซ่อมแซม อุดยาเรือให้มันคงเรียบร้อยส่วนานาและไร่ผักก็จัดแจงให้เขาเช่าและพากันลงไปอยู่ที่เรือใหญ่จัดการซื้อสินค้าให้เต็มระวางเรือเมื่อถึงวันกําหนดล่องกรุงธนบุรีก็เรียกคนจาวออกเรือล่องลงมาจนถึงบางขุนพรมฝั่งตะวันออกแห่งกรุงธนบุรีได้เข้าจอดเรือเทียบท่าหน้าบ้านในทองนางเพียนที่บางขุนพรมซึ่งเป็นคนเคยอยู่เมืองเหนือมาก่อน เมื่อจอดเทียบเรือเสร็จก็จัด ก, การคนถ่ายขายระบายสินค้าเมืองเหนือจนหมดและจัด ก, การซื้อสินค้าเมืองบังก อ, อกบรรทุกจนเต็มเรือแล้วพากันออกเรือเจ้าขึ้นทางเหนือมุ่งไปยังเมือง ก, <Tamam. S 2> อ ก, กาําแพงเพชรเมื่อเรือเจ้าไปถึงเมืองปากน้ําโพนครสวรรค์นะก็จัด ก, การขายถ่ายเทสินค้าเรื่อยไปจนถึงเมืองกําแพงเพชรจนสินค้าหมดก็จัดการซื้อหาสินค้าเมืองเหนือใส่เรือล่องมาขายยังเมืองบังกอกอีก ทำการค้าขายอยู่อย่างนี้เป็นเวลาเก้าเดือนเนื่องจากได้อาศัยท่าจอดเรือหน้าบ้านในทองนางเพียนบ้านบางคุณพรมซึ่งเป็นคนเมืองเหนือด้วยกันมานานเมื่อการค้าขายได้กำไรมากพอที่จะปลูกเรือนเองจึงได้เหมาช่างไม้สร้างเรือนแพงสองหลังแฝดมีชานสำหรับพึ่งแดดพร้อมทั้งครัวไฟบันไดเรือบันไดน้ำปักหลักที่ดินลงในถิ่นบางคุณพรม อยู่เนื้อบ้านในทองนางเพียนขึ้นไปสีว่วาเศษที่สร้างนี้ก็เพราะนางงุดนั้นคันแก่เต็มที่ต้องหยุดพักคลอดบุตรที่บ้านปลูกใหม่บางคุณพรมนี้